หน่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นเพื่อท้องถิ่นจรเดินก้าวไกลาชาติคนเรื่องให้ประเทืองและงามนิรัยอานามัยพระปานําไปขอตั้งใจอาสาเทศบาลหน่วยรับงานฝากมหมายไล่นานเจ็บหรือตายหุ่นไว้ยายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเฝ้าทำการที่ทํางานร่วมไปทุกเวลาเพื่อนัก นิวัฒน์พนาเป็นคนตาคนไกลไงเศตสฐบ้านคือบันไดของการปกครองตามคลองแห่งชีวตความที่มีประชาธิปไตยเพื่อปึกปันพลและมาให้จับมั่นใจด้วยการรับใชยกันไปเหนื่อยแค่ไหนไม่สาคัญมีผู้แทนเขตของเราดูแลความสิ้นรวมรับงานกอครอบท้องถิ่นทั้งทานินสุกสันทั่วการ ผ่นก็คือเราไม่ช่วยสัมพั์เทศบาลนี่จึงสาคัญรวมกระสานคอยรวมมือ สภาน่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นเพื่อท้องถิ่นเจะเอิญข้าวไพลทุกเรื่องให้ประเทืองและงามวิ่เลยอาณาไม้พระปานนำไปขอตั้งใจอ า, จาสาเกษษบาล่วยรับงานมากมายหลายนานเจ็บหรือตายหุ่นวายใหญ่บ้านเกษษบาลต้องรับแจ้ง ร่วมไปทุกราเพื่อนครนิวัฒ น, นาเป็นคนตาคนไกลไงเศสสบ้านคือบในใดของการปกครองตามคองแห่งชีวิตความที่มีประชาธิปไตยเพื่อปกองพันคนละมานให้กำลังใจด้วยการรับใช้กันไปเหนื่อยแค่ไหนไม่สำคัญมีผู้แนทนเขตของเราดูแลพร้อมสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นทั้งทานินสุขสันต์ั่วการ บั่นกกเราไม่ช่วยสัมพันธ์เทศบานนี้จึงสําคัญร่วมกระสานคอยร่วมมืออย่าประเทนศีลาอาดที่รังสาดรถดีเมืองพระสีพนมมาตศแหล่งไม่กว่าตองกลงดงหอมแดงเรื่องชื่อนามระบือตํานานเมืองแหม่ๆ วิสัยทัศน์ของเทศบาลศรีพนมมตรคืศูนย์กลางแห่งอารยธรรมแหล่งการเรียนรู้และความบุดมสมบูรณ์ของเมืองละแปลที่ไม่มีวันสิ้นสุดสลายสวัสดีครับคุณนุ่นฝังครับพบ ก, กับรายการเสียงตามสายงานประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลตะบนศรีพนมมาตรเมืองละแวกครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่1ตุลาคมพุทธศักราช2565 หลังจากแจ้งรายการเราท่านจะได้พบกับรายการสาระน่ารู้17นกา30นาทีจะเป็นรายการข่าวสารข่าวฝากต่างๆขอ ง, ของทางราชการและบทเพลงตามคำขอเชิญรับฟังรายการของเราได้ตามลำดับครับ k a e n ลงกร k e o n ความัที่เธอทช้ใจย้เตือนความจไว้ตรงทา 我在。 มาขอเก่าเก่าก่อนคุณผู้ฟังครับลุ้นระทึกกันไปครับหลังจากที่มีประกาศ80เมื่อวานนี้ก็เปาะเะแปะๆปะทั้งคืนจนมาเช้าเช้าก็สายสายก็มีเปาะแปะเปาะแปะแต่นี่แหละครับก็ถือว่าแดดค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับวันนี้ยังอยู่นะครับยังอยู่กับในช่วงของฤดูฝนครับน่าจะเป็นฝนทิ้งท้ายเพราะ เข้าตุลาแล้วนะคุณรู้ฟังเข้าเดือนที่10บแล้วครับเดี๋ยวก็ลอยกระทงแล้วคุณรู้ฟังวันเพ็ญจะเดือน12น้ําจะนองเต็มตะลิ่งแล้วครับสําหรับลอยกระทงก็คงถือว่าเป็นทิ้งท้ายครับปีนี้น้ําท่าอุดมสมบูรณ์และเกินคุณรู้ฟังก็ต้องนั่นแหละครับ คอยเก็บนงเก็บน้ำครับเพราะเราก็ไม่มั่นใจครับว่าน้ําใต้ดินจะมีเยอะขนาดไหนแล้วฤดูร้อนฤดูแล้งจะขนาดไหนครับก็เลยต้องพยายามที่จะสะสมน้ําให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้ก็ใช้เหมือนกับระบบน้ําล้นการรักน้ําก็ประหยัดในเรื่องของค่าน้ํามันที่จะสูบเข้าไปอีกคุณผู้ฟังเพราะน้ําก็เข้า2ทางด้วยกันนะครับเข้าที่หนองตะเกลือ เข้าสองทางมันก็ขึ้นเรื่อยๆขึ้นติดๆขึ้นทุกวันอันนี้คือน้ำที่เราเก็บไว้ในหนองน้กเกลือนะครับขึ้นทุกวันก็เป็นเรื่องดีครับในส่วนของน้ำใตดินอันนี้ก็ว่ากันไปฝนตกอะไรแบบนี้น้ำใตดินก็ถ้าจะเยอะอยู่แล้วคุณรู้ฝั่งแต่ก็อย่างว่าครับมีบางจุดบางช่วงที่อาจจะเกิดการชํารุดซึ่ง ก็ต้องบอกครับเพราะเห็นกระตาตัวเองเมื่อเช้ามาเปิดเสียงตำสายเมื่อเช้าหกโมงกว่าคุณผู้ฟังก็เจอเจอกับพี่ๆประปาครับพี่ๆกองการประปาออกหาครับไปแงะดูตามท่อน้ำออกหาว่ามีจุดไหนที่มีน้ำซึมมีการชารุดหรือเปล่าคุณผู้ฟังก็อยากจะเล่าสู่กันฟังครับเพราะว่า คนทำงานครับบางทีเขาก็สงสัยว่าทำอะไรกันอยู่เขาทำครับแต่ว่าบางอย่างบางจุดมันไม่ได้โผล่ขึ้นมามันไม่ได้เออขึ้นมาถนนให้เห็นได้ชัดให้หาได้ง่ายบางจุดมันก็ต้องหาจุดที่มีการชำรุดเพราะบางจุดอาจจะรั่วบริเวณท่อน้ำในท่อน้ำหรือในใต้ดินซึ่งกว่าน้ำมันจะพุ่งขึ้นมามันใช้เวลาครับ ก็ต้องพยายามที่จะหาจุดเพื่อจะซ่อมแซมให้เร็วที่สุดก็จะไม่ถูกใจหลายคนแต่อยากจะเล่าสู่กันฟังว่าเขาก็พยายามกันครับตั้งแต่6กโมงหกโมงหกโมงครึ่งก่อน6กโมงครึ่อีกมั้งบางคนยังไม่ตื่นเลยครับแต่ว่าพี่น้องกองการประปาก็พยายามที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับ o m tight. เคยชัดเจนเลยสักทีจุดมึงไม้ไม่มีไม่รู้สิ่งสุดที่ใดรู้สึกยังไงกับฉันเห็นฉันเป็นอะไรในใจฉันอยากจะรู้ข้างในความคิดของเธอ ไม่ว่าคนามเรื่องเธอมา ก, กี่ครั้งวัมมีาตอบให้ใครจะเรียกเธอว่าราฉันก็กลัวอาจจะมาก ไ, ไม่เคยจะรู้ต้องอยู่กับความว่ ที่บอกสักครั้งบอกให้ฉันหยุด ใครถามเธอถึงเรื่องฉันหางเองามีเธอได้ตอบเช่นไรเธอบอกได้ไหมว่ารหรือคิดว่ามันมากไปให้อยู่แบบไหนจะได้ทั้งใจแบบนั้นุดท้ ไม่บอกสักครั้งบอกให้ฉันหยุดท้อ วันเขาและฉันจะเป็นอย่างนั้นจะไม่ต้องเลือฉันเลยฉันเค ย, ยู่ของฉันเหมือนเคยเธอลงเอยกับเขาออ o อ oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh คงมีคำถามที่เธอนั้นไม่กล้าบอกเพราะว่าเธอคงคิดว่าฉันก็คงทำไม่กล้าตอบมองตากันจะก็เองไม่กล้ามองแล้วจะให้ฉันไปกับเธอฉันคงทำไม่กล้าลอง รอเล่นแล้วแต่เธอตามที่ใจต้องการเลือกสทานไม่มีใครรอที่เขาเดินสองทางไปเธอไปกับเขาจะหากว่าใจเธอต้องการเท่านั้นก็พอเหมืนอนคงวิเศษที่เขาได้เจอเธอพรหมลิขิตสุดทายก็ได้เจอ ฉันก็เลยต้องกลเป็นส่วนเกิน <S <S ไม่มีอะไรหมัอนเดิมถ้าเธอต้องเลือกรลว่าเขาละชอนถ้าเป็นอย่างนั้นจะไม่ต้องเลือกฉันเลยฉันเคยอยู่กังฉันเมือนเคยให้เธอลงเอยกับเขา oh oh การที่เธอเล็งเละ ก, ก็แปลว่าเขาดีกว่าไม่ต้องเลยเขร้องอย่าเลยเวลาของเธอมีค่ะขอให้ได้ดั่งใจอย่างที่ไม่เคยมีมาที่จะอทำต้องมีเหตุผลทุกอย่างต้องมีที่มาเธอคงเกินจะทนอะไรที่มันซ้ำซากที่ผ่านมาแค่ลืมมันไปใครๆก็เคยทำพลา ไมนเลือกทางไหนเพียงให้หัวใจนำทางเท่านันก็พอมันคงวิเศษที่เขาได้เจอเธอพรหมลิขิดสุดท้ายก็ได้เจอฉันก็เลยต้องกลายเป็นส่วนเกินไม่มีอะไรเหมือนเดิมถ้าเธอต้องเลือกหรือว่า เคย n ห้เธอลงเอยกับเขาก็จนนถ้าเธอต้องเลือกระหว่างเขาฉั น, น, น, นต้องเลือกฉันเยฉันเคยอยู่เหมือนเคยเลงเอยกับเขาไม่เนไร。 สาระน่ารู้วันนี้คุณผู้ฟังก็ยังเกา ะ, กะอยู่กับกระแสของการกินเจอยู่นะครับวันนี้เอาเรื่องของเห็ดม้ฝากคุณผู้ฟังก็เป็นพระเอกอีกอย่างหนึ่งสําหรับเทศกาลกินเจนะครับสำหรับเห็ดคุณผู้ฟังซึ่งก็มีเห็ดหลากหลายชนิดครับวันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังในะเรื่องของสรรพคุณ ข, ของเหตดเออเห็ดเข็มทองแบบผมจะเหตดเข็มทองเลยเลยเห็ดเข็มทองก็เป็นเห็ด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 เห็ดเข็มทอง100กรัมให้พลังงาน35กิโลแคลอรี่ไขมัน 0.29 กรัมไฟเบอร์ 2.7 กรัมเห็ดฟางครับเห็ดฟางเป็นเห็ดที่ขึ้นได้ดีในธรรมชาติจึงนำมาปรุงอาหารกันอย่างแพร่หลายแต่ว่าสรรพคุณค่อนข้างเยอะครับเห็ดฟางมีวิตามินซีสูงทานแล้วช่วยป้องกันโรคเหงือกเลือดออกตามไรฟัน มีสารที่ช่วยป้องกันการเติบโตของไวรัสที่ทำให้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีกรดอะมิโนสำคัญอยู่หลายชนิดหากทานประจำจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันลดการติดเชื้อต่างๆช่วยลดความดันโลหิตทางแพทย์แผนโบราณจัดให้เห็ดฟางเป็นเพสัตวัตถุที่มีรสหวานเย็นจึงช่วยบำรุงร่างกายช่วยย่อยอาหารบารุงโลหิตบารุงกาลังบารุงตับแก้ร้อนในแก้ช้ำใน เห็ดฟางอกรัมให้พลังงาน35กิโลแคลอรี่และมีไขมันเพียง 0.2 จกรัมจัดเป็นอาหารไขมันต่ำแคลอรี่น้อยและไม่มีคอเลสเตอรอลข้อควรระวังครับไม่ควรรับประทานเห็ดฟางแบบสดๆเพราะมีสารที่คอยยับยั้งการดูดซึมอาหารดังนั้นควรทำให้สุกๆมากๆเพื่อให้ร่างกายย่อยง่ายและดูดซึมไปใช้ได้ประโยชน์ดีขึ้นเห็ดหอมหรือเห็ดชิตาเกะครับ คนจีนยกให้เห็ดหอมเป็นยาอายุพัฒนะเพราะมีสรรพคุณทางยา ม, มากมายครับทั้งต้านอนุมูลอิสระอันเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งบำรุงกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเพราะมีสารอยู่มากช่วยให้อวัยวะภายในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นเช่นปอดหลอดลมเส้นประสาทสมองมีกรดอะมิโนโสูงช่วยให้ไตย่ยอยคอรสเอรอลได้ดีขึ้นมีสาร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 ไขมัน 0.5 กรัมมีไฟเบอร์ 2.5 กรัมข้อควรระวังนะครับสตรีหลังคลอดผู้ป่วยหลังฟื้นไข้และคนที่เพิ่งหายจากอาการออกหัดไม่ควรรับประทานเห็ดหอมครับแถมอีกอันครับเห็ดหูหนูดำรสสัมผัสกรุกรกรกรบกรอบจากดอกเห็ดที่มีลักษณะคล้ายแผ่นวุน้นทำให้หลายคนชอบทานแล้วก็ยังพกประโยชน์มาอีกเพียบครับ เห็ดหูหนูดำมีสปปรรพคุณที่เย็นกว่าเห็ดหูหนูขาวจึงช่วยรักษาโรคร้อนในแก้เจ็บคอหยุดเลือดออกเช่นปัสสาวะเป็นเลือดประจำเดือนมากผิดปกติริษีดวงทวารโรคบิดเนื่องจากเลือดร้อนนําไปต้มกับน้ำตาลจิบเป็นชาแก้ไอได้เป็นยาบำรุงเลือดและพลังรักษาโรคโลหิต จ, จาง แก้อาการท้องเสียโรคริดสีดวงทวารช่วยขับลมในกระเพาะอาหารมีสารที่ช่วยลดความเข้มเหนียวของเลือดจึงลดความเสี่ยงภาวะเส้นเลือดอุดตันหลอดเลือดสมองและหัวใจเห็ดนางฟ้าครับอันที่แถมงุนูฟังเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่บ้านเราก็นิยมรับประทานครับรสชาติอร่อยราคาไม่แพงด้วย เห็ดนางฟ้ามีโปรโตีนและเส้นใยอาหารสูงเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักรวมทั้งผู้ป่วยในระยะพักฟื้นหรือหลังผ่าตัดช่วยลดคอเลสเตอรอลลดคสเตรอรลลดไขมันในเส้นเลือดจึงดีต่อหัวใจช่วยป้องกันโรคะเร็งช่วยให้การไหลเวียนโลหิตในร่างกายดีขึ้นมีโพแทสเซียมสูงจึงช่วยควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจรวมทั้งความสมดุลของน้าในร่างกาย เห็ดนางฟ้า100กรัมให้พลังงานประมาณ33กิโลแคลอรี่ไขมัน 0.7 กรัมมีไฟเบอร์ 0.47 กรัมก็นั่นแหละครับประโยชน์ของเห็ดต่างๆก็มีค่อนข้างเยอะนะครับก็ไม่จำเป็นว่าต้องกินเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจนะครับก็สามารถที่จะทานได้แต่ว่าสังเกตในเรื่องของข้อควรระวังในเห็ดบางชนิดด้วยนะครับก็เป็นสาระน่ารู้ที่หยิบมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ครับ ตาเธอที่ร้องลอยมาอีกคราวที่เธอเธอก็มีรอยน้ำตาใจที่เธอต้องเจ็บเพราะรักเขาเรื่อยมามันคงอ่อนล้าจนเธอแทบจะล้มลง ก็รู้ว่าเธอคงให้เขาทั้งใจไม่ว่าไรก็เต็มใจให้เขาทันฉันก็ทำได้เพียงแค่เตือนยาในใจเรีบช่ำแค่ไหนก็มีสิบทำได้แค่มองถ้าเธอยังรักอยู่เรื่อยมาฉันอยู่ กับโลกที่เขาให้เธอแค่น้ำตากับฉันที่เห็นจะมีค่รักจะมาลากลับทำอะไรให้เธอไม่ได้เลยเธหากว่าเปลี่ยนให้ฉันเป็นเขาคนที่ยืนขารเธอจะทำให้เธอได้เธอกับรักที่ไม่มีวันเสีย สลรับพีคนที่คอยทำร้า ซ่า เธอได้เจอกับรักที่ไม่มีวันเสียใจสำหรับเพีคนที่คอยทร้ายให้กลายเป็นคนไม่มีใครให้ฉันกลาย บอกเธอว่ารักซ้ำๆเธอว่าไม่ต้องตอกเลยยังไม่ต้องการขอโทษที่ฉันยอมทิ้งทุกอย่างไปไม่อยู่กับเธอในวันนี้เธอคงเบื่อก็เข้าใจไม่เป็นไร ของโทษที่ฉันชอบเขาไปอยู่ลไกลๆทำให้เธอิดอาช่ไหมฉั น, วนหวนวัย ขอโทษที่ทำให้เธอต้องอายยิงใช้แต่ของเก่าๆที่เธอเคยให้ขอโทษที่น้ำตาฉันมันไหลในเวลาที่ไม่ได้เจอกับเธอมานานขอโทษที่ฉันมันน่ารำคาญที่ฉันพยายามจะห้ามให้ใครเข้ามาขอโทษทั้งนั้น บอกฉันสิว่าฉันรักเธอมากเกินไปบอกสิบอกใหน้อยลงต้งทัเช่นไรขอโทษที่ฉันรักรักรักรักเธอบอกฉันสิว่าฉันรักเธอมากเกินไปบอกสิบอกกับฉันว่าให้ฉันมีคอามหมยขอโทษเธอจริงๆที่ฉันรักยิ่ตาเธอ ที่ยังขาเธอไม่ไหวยังไม่รู้จะอยู่ยงไงไม่มีเธอ ขอโทษที่ทำให้เธอต้องอายอยิ่งใช่แต่ของเก่าเก่าที่เธอใคยๆขอโทษที่น้ำตาฉันมันไหลในเวลาที่ไม่ได้เจอกับเธอนานขอโทษที่ฉันมันน่ารำคาญยิ่งพยายามเจอห้ามให้ใครเข้ามาขอโทษทน บอกฉันสิว่าฉัรักเธอมากเกินไปบอกสิบอกให้น้อยลงต้งทำเชนไรขอโทษที่ชัรักรักรักรเธอบอกฉันสิว่าฉันรักเธอมากเกินไปบอกสิบอกกับฉันว่าให้ฉันมีคนใหม่ขอโทษเธอจริงๆที่ชุนรักเพียงตาเธอ เกินไปบอกสิบอกให้หน้อยลงตรงทําเช่นไรขอโทษที่ฉันรักรักรักรั ก, รกเธอบอกฉันสิว่าฉันรักเธอมากเกินไปบอกสิบอกกับฉันว่าให้ฉันมีคนใหม่ขอโทษเธอจริงๆที่ฉันรักยิ่ตาเธอขอโทษเธอจริงๆ ยิ่งรักยิ่งเดอ เข้าสู่ช่วงที่2ครับมากันที่พยากรณก์อากาศคุณรู้ฟังภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมออขอพายกรับกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนชเชียงใหม่ชเชียงรายพะเยา น, าน่านลำพูน ล, ลำปางอุตรดิตสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาอุณหภูมิมสูงสุด 30ถึง32องศาครับแ0แล้วก็ตกกระจายเป็นวงกว้างขนาดนี้ต้องติดตามต่อนะครับในเรื่องของสถานการณ์ฝนฟ้าก็เป็นพยากรณ์อากาศภาคเหนือครับถึง17บเนิกาวันพรุ่งนี้ครับ ขอให้มีความรักขอฉันในสายน้ำขอให้เธอรักขอฉันคนสายน้จะบูรณะมัตจนใจ ช่วยแม่ทำให้เธอแองดูให้เธอรักหัวปากหัวตั้ให้เจ้ากล้าช่วยทำให้เธอหังมาน้โมพุทธาคอยสริกาช่วยแม่ทำให้เธอแอบดูให้เธอรักหัวปากหัวบั้ให้เธอลงในคำต่อคำพุทธานโมพุทธา คอยซาฬิกาช่วยมาทำให้เธอเองดูงให้เธอรักหัวปากหัวั้ให้เจ้ากำจ่ายทำให้เธอหันมานมโมพุทาคอยซช่วยทดใ เ, อเอดียวรักกัน และเธอไม่ต้องถึงสงสั่บาการั้งเวลาจะทำให้ใจของฉันเปลี่ยนทั น, นย่างไงก็ไม่กิดเจอคนเดียวที่อยู่ในนั้นหัวใจให้เธออยู่ได้คนเดียวสุดท้ายแต่ฉันขอแค่เธอ ยังออบนัดพบเจ้ากับเธอบันคืนในฝันแอบอิงศพบนเงาของเธอ ฝั่งครับหมดเวลาของรายการสีตามสายงานประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลตำบลสีพินมาตรเมืองลำแหลแล้วนะครับพบ ก, กับรายการได้ใหม่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา7จ็นาิกาถึง8ปดนาฬิกาและข้าเกียนตั้งแต่เวลา17บเนาิาถึง18บแนาิกาครับสําหรับวันนี้คงต้องนํำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปแล้วพบ ก, กันใหม่วันจันทร์ครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ